ในยุคหลังต่อมาปราดได้นำเอาธรรมะบางข้อที่เข้าคู่กันกับสิกขาบทหรือสีลหานั้นมาจัดวางเป็นหมวดขึ้นสำหรับแนะนำให้ขรืหัดปฏิบัติคู่กันไปกับเบญจสีลโดยเรียกชื่อว่าเบญจธรรมหรือเบญจกัลยานธรรมข้อธรรมะที่นำมาจัดนั้นก็เดินตามแนวของหลักที่เรียกว่ากุศลกรรมบทนั่นเอง แต่ในการเลือกข้อธรร ม, มะมาจัดเข้ามีความแตกต่างกันอยู่บ้างโดยเฉพาะในแง่ของข้อธรร ม, มะที่มีความหมายกว้างแคบกว่ากันเวลานี้ท่านหนุนให้ชาวพุทธคิดถึงการที่จะพัฒนาตนจากการถือศีลห้าขึ้นไปถือหลักกุศ ล, ลกรรมาบทสิบที่บางทีเรียกว่าโสใจ ย, ยะบ้างธรรมจริยาบ้างคงจะดีทีเดียวเพราะมาตามหลักแท้ มีองค์ประกอบครบทั้งศีลจิตและปัญญาจะเข้าทางของมรดกโดยตรงหัวข้อของเบญจธรรมนั้นเรียงตามลำดับให้เข้าคู่กับศีลห้าคือ 1. เมตตาและกรุณา 2. สัมมาอาชีวะบางท่านเลือกเอาหรือรวมเอาทานเข้าด้วย 3. กามสังวรคือความรู้จักยับยั้งควบคุมตนในทางก า, มารมรรมหรือเรื่องรักใคร่ไม่ให้ผิดศีลธรรมบางท่านเลือกเอาสถาทาสันโดษคือความยินดีด้วยคู่ครองของตนสีสัจจะห้าสติสัมปชัญญะ บงท่านเลือกเอาอัปมาธะคือความไม่ประมาทซึ่งได้ความเกือบไม่ต่างกันสำหรับข้อสัาราสันโดดที่เป็นข้อปฏิบัติตรงข้ามกับการเมสุมิชาจา์มีข้อสังเกตที่ควรกล่าวไว้คือสัาราสันโดดแปลว่าความพอใจด้วยภรรยาของตนว่าโดยสาระก็คือ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 มีความมั่นคงภายในครอบครัวลูกหลานก็มีความร่มเย็นเป็นสุขและอบอุ่นใจดังชีวิตของคู่อริยาสาวกน ก, กุละบิดาและน ก, กุลละมานดาที่เป็นแบบฉบับบันทึกไว้ในพระสูตรเป็นตัวอย่างสามีภรยาคู่นี้เป็นอริยาบุคคลขั้นโสดาบันและเป็นเอตาดทักฆะในทางสนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งสองท่านมีความประสานสอดคล้องด้วยความรักพักดี และความซื่อสัตย์ซึ่งนําไปสู่ความกลมกลืนกันโดยคุ ณ, ณธรรมจนปรารถนาจะพบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังความที่บันทึกไว้ซึ่งนั ก, กูลลบิดาขฤรหาบดีได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่ตรกูลนานั ก, กูลลมารดาขาหาปตานีซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อฆ้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่ม ข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจนักูลมาดาคหาปะปตานีเลยแม้ด้วยใจที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปราคภพบแม้นักูลมาดาคหาปะปตานีก็ได้กราบทูลความอย่างเดียวกันสทารสันโดดนี้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 ผู้ใดสำรวมด้วยกายวาจาใจไม่กระทำความชั่วใดๆไม่พูดเหลอกแหละเราเห็นแกต่ตนคนเช่นนั้นเรียกว่าผู้มีศีลจากขุตกานิกายจากตกักและพุทธพจน์ต่อไปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสาระของศีลจงสร้างความเกษมในปวงสัตว์ จากมัชิมา น, นิกายมูลปันนาอัทธกถาอธิบายว่าความเกษมหมายถึงอภัยความเกื้อกูลเมตตาและว่าข้อความนี้หมายถึงความบริสุทธิ์ทางมโนวทวนัน